คำว่ศา ส, สนาคือคำตังสอนถ้ามีเพียงเท่านี้ก็ไม่ซึงแต่คำตั้งสอ น, นี้ออกมาจากทมแท้ที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบสิ่งที่พระองค์ทรงครองอยู่ภายในพระไตรนั่นแหละคือทมแท้ดังที่เทศเมื่อคือนนี้แล้วลท่านนำอาการ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 สกิทาคาผลอนาคาผลอรหัตตาผลนี่เป็นธรรมแท้คือแท้เข้าไปโดยเป็นตามขั้นแห่งธรรมที่ผู้สําเร็จหรือผู้บรรลุได้เข้าถึงตามธรรมขั้นนั้นๆที่เรียกว่าธรรมแท้ส่วนคชื่อว่าโสดาสกิทาอนาคาอรหัตอันนี้เป็นอาการอันหนึ่งออกมา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 ที่จิตจะไม่คิดรอนแล้วแต่คิดเรื่องเหลวไหลหาสาระแก่นสารที่ตนจะพึงได้อาศัยให้เป็นความงงนุ่มเย็งภายในจิตใจไม่ค่อยมีทั้งนี้เพราะสิ่งเหล่านี้ออกมาจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ออกมาจากสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยที่ฝังอยู่ภายในจิตใจของเรามีจํำนวนมากขนาดที่ว่าคิดทั้งวันทั้งคืนก็ไม่หมดไม่จบ คิดเท่าไหรก็สังสมผลเข้าไปในที่นั้นอีกมันจะหมดจะสิ้นไปได้ยังไงเพราะความคิดนี้เป็นความผิดสิ่งที่ไม่เป็นท่านั้นให้เพิ่มตัวขึ้นมาภายในใจิตใจหมุนเีย็นกันไปหมุนเีย็นกันมาอยู่เช่นนี้จึงไม่มีเวลาจบสิ้นลงได้ถ้าเราจะปล่อยให้เป็นไปตามความคิดความนึกธรรมนาข้องมันแล้วจะมีแต่ความหมุนเีย็นไปเพื่อสังสมเจริญขึ้นมากแล้ว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 เป็นความร้อนอยู่ในหลักธรรมชาติของตนเพราะสิ่งที่ทำให้ร้อนมันมีอยู่ภายในจิท่านจึงสอนให้ชาละท่านจึงสอนให้ระ ง, งับท่านจึงสอนให้พิจนาหรือไข่ควรกระแสะของกิตที่คิดออกออกมาแต่ละสิ่งหนึอย่างว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วจะได้การกรองความคิดความเห็นนั้นด้วยสติด้วยปัญญาอันเป็นทางตำหักปราบ ป, ปรามสิ่งเหล่านี้ให้หมดสิ้นลงไปโดยลาดับ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 ในทางนี้ทอานี้สติปัญญาของเราเบื้องต้นก็ล้มลุกคลุกคลานจนเกิดความอดหนาละอาใจก็มีในบางครั้งแม้จะไม่มากก็พอจับความรู้สึกของตนได้ไม่ว่าท่านผู้ใดแม้แต่ท่านผู้สำเร็จสิ่นเสร็จในนังพระพุทธเจ้าลูกษาพระสาวกท่านเมื่อกิเลสยังมีอยู่ภายในจิตใจแล้วย่อมจะมีทางคิดอิหนาละอาใจในบางครั้งได้เช่นเดียวกับเราทั้งหลายนี่แหละ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 เมื่อเห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นโทษโดยโดยความเป็นโทษของมันแล้วย่อมชื่อว่าเป็นผู้เห็นชอบแล้วพยาายมละจนไดน้ต่อไปสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ปรากฏขึ้นมาแต่เราได้อย่างง่ายดายแล้วค่อยหมดไปหมดไปนี่แหละจิตค่อยสะอาดไปด้วยวิธีการชำระการรักษาการระวัระวงอย่างนี้โดยลําดับลําดับนี่แหละคือจิตมีเจ้าของ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 คือเป็นจิตล้วนล้วนไม่มีอะไรเข้าแทก ส, สิงเลยนีผลที่เกิดขึ้นมาจากการตะเกียบตะกายลวมลุกคุกครานมาตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงจุดนี้ล้วนแล้วแต่เกิดจากการอบรมทั้งนั้นทุ ก, ก็ยอมรับสุข ก, ก็ยอมรับเราเดินทางจะให้สม่ำเสมอไปโดยถ่ายเดียวไม่ได้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 มัติมาพาขึ้นขึ้นพาลงลงอา้าวกิเลสพาขึ้นขึ้นไล่กิเลสตามกิเลสกิเลสพาลงเหวลงบอดตามขุดตามพ้นตามฟาดฟันพันแหลกอา้าวกิเลสลงไหนตามฟันกิเลส น, น่ะเพราะเห็นอะไรเพราะกิเลสเป็นของที่ลุ่มดอนดอนจู่ว่สูงสูงต่ำต่ำลุ่มลุมดอนดอแต่มันอยู่บนหัวใจคนเมื่อสติปัญญาผิดขึ้นมาพอแก่การแก้ไขหรือพอแก่การติดตามปราบปรามกันได้แล้ว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 มันทิพย์หายไปหมดแล้วแต่กิเลสไม่หลุดลอยไปเพราะความบน่นนอกจากการปฏิบัติกาจัดมันด้วยกำลังฝีมือของเรานี้เท่านั้นกิเลสถึงจักตัวกาจัดลงที่ตรงนี้สุขอะไรก็ไม่เท่าสุขใจสุขใจสุขสวัสดีไหมวะปีใหม่ปีเก่า ถูกในโลกสวัสดีปีใหม่พอปีเก่ามาแล้วทูกทั้งๆในปีใหม่ก็ทุกหกตั้งความหวังไว้ปีใหม่จะมีความถูกอย่างงน้นอย่างนี้คาดกันไปยุ่งเลยไปหมดถึงบันปีใหม่แนละ้วโอ้ส่งส่อข้ออยัยุ่งหมดสอข้สอก็มีตัวหนังสือลอตัวใจไม่ไม่ส่อก็อถอยไม่ส่อขอสอ ย, ส, ออ ส, อยส่งความถูกนี้ มันอยู่ภายใน น, นี่เอาสอกระสอตรงนี้นะจะไปสอกรสอวันนั้นปีนี้ยุ่งไปจะไปหาเกาเดี๋ยวมันถลอกหมดไมนคันเอาเกาตรงมันคันเนี่ยมันคุกอยู่ที่ตรงไหนคันอยู่ที่ตรงนั้นเกากันลงที่ตรงนั้นแก้ตรงนี้ตรงที่ตรงนั้นสอกรสอจะมีอยู่ที่ตรงนั้นเนี่ยเกิดขึ้นที่นั่นนี่เป็นสอกระสอทางพุรธศาสนาเป็นความที่ถูกต้องที่โลกเขาทํานั้นก็ไม่ได้ผิด แต่เราแยกอันนั้นมาเพื่อสอนเราคือโอปะนิโกเราว่าทำหนิ้ตีเตียนโลกเขาที่ทํามาเป็นประเพณีนิยมจิตใจมีความรุ่นเริงมันเทิงภายในแง่ใดซึ่งไม่ผิดจากกฎหมายบ้านเมืองก็เป็นความดีโลกมีอย่างนั้นไม่ว่าโลกไหนๆต้องมีความรุ่นเรงมันเทิงมีความหวังนุ่งกันแต่ถ้าจะพิจารณาหรืคิดภาในแย่เดียวเท่านั้นก็ไม่เกิดประโยชน์ให้ย้อนหน้าย้อนหลัง นี่การอธิบายถึงเรื่องสอสศนั้นย้อนเข้ามาในเราก็เพื่อจะเห็นสอสศภายในสอสศภายนอกอืสอสศภายในก็ได้แจกส่งความสุขให้แจกใจด้วยการประพฤติปฏิบัติกรรมจับสิ่นที่มัวหมองหรือรบกวนจิตใจนั้นให้ห่างประโดยลําหนักมีความสุขแทรกขึ้นมาได้เดินหนักจนความสุขเกิดขึ้นภายในจิตใจเป็นสอสศขึ้นภายในจิตใจ